เป็นเมืองที่น่ารื่อนรมยิ่งนักแต่ว่าเป็นที่เจริญตาจเจริญใจเนี่นะเป็นที่อยู่สบายน่าชื่นชมน่ารื่อนรมใจเมือง น, นี้ไม่ว่างเว้นจากเสียงสิบเสียงพ่างพร้อมไปด้วยข้าวน้ำกระว่าข้าวเปลาอุดมสมบูรณ์แล้วก็เสียงโดยปกติก็คือเสียงชวนการทานข้าวเป็นต้นมีเสียงช้างเสียงมา้าเสียงกลองเสียงสังเสียงรถเนี่ยนะ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 แก้วแหวนเงินทองเพียบพร้อมคราค่ําไปด้วยชนต่างๆเป็นเมืองที่มั่งคั่งเป็นที่อยู่ของคนมีบุญเหมือนเทพนครเหมือนกรุงเทพเลยแหละมั้งนะเทพนครนี่แล้วเมืองเทวดาเหมือนกรุงเทพเลยแหละมั้งในนครอมาราวดีมีพราหมณ์ชื่อว่าสุเมธสุเมธะแปลว่าผู้มีปัญญาดีเนี่ยนะชื่อว่าสุเมธะผู้มีปัญญาดีเป็นคนที่มีกองทรัพย์ล้ายโกด เงินคลองเขามีเป็นกองอะไรเงี้ยมีซับและข้าวเปลือกเป็นอันมากเขาเป็นชายหนุ่มผู้คงแก่เรียนทรงมนจบไตรเพศสําเร็จในคัมภีาา์ลักษณศาสตร์ลักษณศาสตร์คือคัมภีร์มหาปุริสลักษณะเนี่ยนะ ล, ะลักษณะประโงงประกอบอย่างนี้จะเป็นผู้พทะเจ้าลักษณะแบบนี้เป็นพระประเจกลักษณะแบบนี้จะเป็นอัครสาวกวาจบคัมภีร์ลักษณะสมัยนี้เราจบคัมภี์หมอดูเนี่ยนะ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 แต่คนไม่แสวงหาหนองน้านั้นก็ไม่ใช่ความผิดของหนองน้าคืออมตะก็ฉันนั้นถ้าตบอยู่ในบ่ออุจจาระแล้วหนองน้าที่ชำระชาล้างมีอยู่ไม่แสวงหาหนองน้าอันนั้นไม่ไปอาบเองใครผิดหนองน้าไม่ผิดหรอกบุรุษผู้ถูกศัตรูทั้งหลายล้อมรอบเมื่อทางหนีมีอยู่บุรุษนั้นไม่หนีไปก็ไม่ใช่ความผิดของหนทางฉันใดบุรุษผู้ถูกกิเลสความเศร้าหมองกลุ่มรุมล้อมรอบ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 ท่านเนี่ยเป็นหนุ่มแน่นนะแต่ทำไมใช้ควาว่ากายเน่าก็ปกติของกายเป็นเช่นนั้นจริงๆลองพูดสนทนากับคนที่ไม่เคยแปลงฟันมาดูเถบุรดปลดซากศพอันน่าเกลียดที่ผูกคอไปเสียมีแต่ความสบายมีเสรีมีอำนาจในตัวเองฉันใด แต่ใครที่เคยมีศพแขวนคอเนี่ยนะมีศพแขวนคอถ้าเปลื้องศพที่แขวนคอทิ้งไปเนี่ยมันจะมีความสุขขนาดไหนชันใดเราก็พึงละทิ้งกายอันเ น, าน่านี้เป็นที่สะสมซากศพต่างๆไปเสียไม่ใหยดีไม่มีความต้องการฉั้นนั้นท่านคิดอย่างนี้เสร็จไม่ใช่ท่านไปฆ่าตัวตายนะที่ฟังให้ดีไม่ใช่ว่าเออมันน่าเบื่อเต็มทีฆ่าตัวตายซะดีกว่ามั้งนเนี่ยไม่ใช่นะนะฟังให้ดีฟังให้มันจบด้วยถ้าฟังไม่จบเดือดร้อนแน่ว่าเดือดร้อนเอออยู้จะมีชีวิตอยู่ไปทําไมเหมือนกัน บุตรสตรีละทิ้งอุจจาระเอาไว้แต่ในส่วมไปโดยไม่ให่ดีไม่พกพาไม่ต้องการฉันใดเราจะละทิ้งกายอันเน่านี้ที่เต็มไปด้วยซากศพไปเสียเหมือนทิ้งส่วมฉนั้นเหมือนกันเนี่ยนะก็ไม่เห็นมีใครแบกเอาไปด้วยเลยนะที่อินเดียนี่เห็นชัดเลยนะไปอินเดียลงรถไปแล้วเฮ้เจ้าของเรือละทิ้งเรือรั่วอนะเรือรั่ว ลำเก่าที่ชํารุดไปไม่ใยดีไม่ต้องการฉันใดถ้าไม่ทิ้งก็จมอ่ะต้องทิ้งอยู่แล้วฉันใดเราจะละทิ้งกายอันเน่าที่มีก้าวช่องไหลของไม่สะอาดไหลก้าวช่องเป็นต้นเนี่ที่มีแต่ของไม่สะอาดไหลออกไปเปรียบยวเป็นนิดเหมือนเจ้าของเรือละทิ้งเรือลําเก่าฉะนั้นเรียกว่าเรือรั่วในบ่อ น, น้ําครําเนี่ยนะว่าอะไรจะไหลเข้ามาบุรุษเดินทางไปกับพวกโจร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 มีภูเขาชื่อว่าธรรมิกะเราก็ทำอาสมสร้างบรรณาสาลาในอาสมนั้นเราสร้างที่จงกรมอันงดเว้นจากโทษห้าประการประกอบด้วยคุณแปประการนำมาซึ่งกำลังแห่งอภิญยาในอาสมนั้นเราทิ้งผ้าอันประกอบด้วยโทษเกประการนุ่งผ้าเปลือกไม้ที่ประกอบด้วยคุณ12บสองประการ เราละทิ้งบรรณศาลาอันเกลื่อนกลนไปด้วยโทษ8ประการเข้าไปอาศัยโคนไม้อันประกอบด้วยคุนสิบประการเราละธั ญ, ญชาติที่หวานที่ปลูกแล้วไม่เหลือเลยบริโภคแต่ผลไม้ที่มีอยู่ตามธรรมดาอันประกอบด้วยคุณเป็นอันมากเราตั้งความเพียรณโคนไม้นั้นได้คือยืนนั่งยืนและเดินภายใน7วันก็บรรลุ ก, กําลังแห่งอภิญยาเก่งมากเลยนะบวชเจวันได้ดีเลย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 อุบัติคือปฏิสนธิในพระคันตอนที่พระองค์ประสูตรจากคันตอนที่พระองค์ตรัสรู้ตอนที่พระองค์ประกาศพระธรรมจกักรเราให้รู้เรื่องเลยในถิ่นแถบปัจจันตะชนบทชาว ร, รมาัมมานครรัมมะแปล ว, ว่าเมืองที่น่ายินดีนะ ร, รัมมะก็สมัยใหม่เขาเรียกบุรีรมัมคล้ายๆแบบนี้แหละ ร, รัมมะเหมือนกันมีใจยินดีแล้วก็นิมนต์พระตถาคตช่วยกันแผ่ทางหนทางเสด็จมาของพระองค์แล่วนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉัน ทุกคนนี่ช่วยสร้างถนนทําถนนกันใหญ่เลยสมัยนั้นเราออกจากอาสมของตนสะบัดผ้าเปลือกไม้เหาะไปในท้องฟ้าอัมพรประว่าท้องฟ้าในขณะนั้นเราเห็นชนที่เกิดโสมนัสยินดีร่าเริงบันเทิงใจแล้วก็ลงจากท้องฟ้าถามคนทั้งหลายในทันทีคือมันแปลกว่าทําไมทุกคนทําทางด้วยความดีใจะนะทำอย่างมีความสุขแต่ละคนไม่ได้ทําหน้าเครียดเลยมีความสุขจริงๆเกิดอะไรขึ้นมาค่ะ มหาชนเกิดโสมนัสยินดีร่าเริงบันเทิงใจบอกว่าพวกท่านแพลี่ยทางหนทางเพื่อใครกันทําทางต้อนรับใครเนาคนเหล่านั้นถูกเราถามแล้วก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมพระนามวัตถีปังโกนพระองค์เป็นผู้ชนะพระองค์เป็นผู้นําโลกเกิดขึ้นแล้วในโลกพวกเราทั้งหลายแพลี่ยทางหนทางเพื่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะช่วยกันถางช่วยกันถากช่วยกันขุด หนทางเนี่ยนะเพื่อพระพุทธเจ้าเพราะได้ยินคําว่าพุโทโธเนี่ยนะปีติก็เกิดขึ้นแกเราในทันทีท่านสั่งสมบารมีมาสีอสงอสิบหอสงไข่แล้วเนี่ยนะสังสมบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าคิดในใจเจ็อสงไขยแปล่งวาจาทําบุญตั้งความปรารถนามา9้าอสงไขยมันพอได้ยินคําว่าพุโทโธเนี่ยปีติทันทีเราเมื่อกล่าวว่าพุโทโธพุโทโธก็ทราบซึ้งสมอนัดดีใจมากเลยนะ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 ก็เลยกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพี่วา่าแปลว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านแผางทางเพื่อพระพุทธเจ้าก็ขอพวกท่านจงให้โอกาสแห่งหนึ่งแก่เราถึงเราก็จะแผลงถางหนทางเพื่อพระพุทธเจ้าเหมือนกันเนี่ยนะโอกาสบุญของเรามาถึงแล้วระวัานักลงทุนผู้ฉลาดเห็นช่องทางก็รีบเลยทันทีคว้าเลยไม่ปล่อยให้เลยไปคนเหล่านั้นก็ให้โอกาสแก่เราเพื่อแผลงทางหนทางในขณะนั้น เมื่อโอกาสคือสถานที่ที่เรายังชำระทำไม่สำเร็จพระชินเจ้าทีปังกรมหามุนีก็เสด็จพุทธดำเนินพร้อมด้วยภิกษุสี่แสนรูปผู้มีอภิญญาหเนี่ยนะผู้คงที่เป็นพระขีนาศบไร้ความเศร้าหมองล้วนแต่ผ้าหันบริวารเนี่ยสี่แสน 4, รูปติดตามเสด็จมาการรับเสด็จก็ดำเนินไปเนี่ยน ะ, ะเห็นการเขารับพระพุทธต้อนรับพระพุทธเจ้าทำยังไงบ้าง กลองเป็นอันมากก็ประโคมขึ้นเองเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในอดีตที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านเอาเสียงเป็นฐานเนี่ยมาก น, นะเสียงให้เสียงเป็นฐานเนี่ยมากเพราะพระองค์เสด็จไปที่ไหนก็จะมีเสียงเนี่ยเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะมนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็ปลื้มปราโมทแซ่สองสาทุการเห็นพระพุทธเจ้าบอกสาทุความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระองค์ตรัสรู้ดีและให้เห็นสาทุความเป็นธรรมดีของพระธรรมสาทุความเป็น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 ในอากาศพวกเหล่าเทวดาก็าเดินหนนเนะเทวดาล่องรอยหายตัวโปรยดอกไม้ดอกมณฑารบดอกประทุมดอกปริชตตกะของทิพตลอดที่สานุทิทิพน้อยทิพใหญ่คนก็โปรยดอกไม้เนี่ยนะแตแบบแค่ฮโปรยเข้าต่อ ก, กนะโปรยดอกไม้ในอากาศพวกเหล่าเทวดาเดินหนนก็โปรยผงจุนจันเนี่ยอะไรจุนเนี่ยก็คือพวกแป้งนะแป้งจันทร์ของหอมอย่างดีของทิพ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 ผ้าเปลือกไม้แผ่นหนังเนี่ยที่ปูลาปูลาตลงแล้วก็ตัวนี้ก็คว่ำนอนคว่ำตั้งความปรารถนาว่าขอพระพุทธเจ้ากับสิทธิ์สาวกทั้งหลายจงเหยียบเราเสด็จไปอย่าทรงเหยียบเปลือกตมเลยการอันนี้จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแกเราเขาเรียกว่าการที่พระองค์ทำแบบนี้เนี่ยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เรา เราก็นอนเหนือแผ่นดินก็คิดอย่างนี้ว่าเราปรารถนาพอนอนบนแผ่นดิ น, เ, นเห็นพระพุทธเจ้าพิดเลยนะว่าถ้าเราปรารถนาเราก็ผึ่งเผากิเลสของเราได้ในวันนี้ถ้าปรารถนานะเป็นผ้ารหัรขณะนี้แหละประโยชน์อะไรของเราด้วยเพศที่ไม่มีใครรู้จักด้วยการกระทาให้แจ้งอริยสัจธรรมในพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ เราบรรลุพระสัพพัญญุตยานแล้วก็จกเป็นผู้พ้นเองจะยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้พ้นด้วยแปลว่าเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเนี่ยนะแม้กความคิดอันนั้นเนี่ยนะจ่ายแพงมากเลยนะเสียสงไขยเนี่ยนะเน็ดเหนื่อยท่มไปหมดก็เพราะความคิดอันนั้นหลายคนก็ว่าโอ้ไม่ยอมรอก น, นะถ้าโอกาสถึงเราขนาดนั้นเราจะไปยอมทำไมบางคนบอกโอ้เนี่นะถ้าพระองค์ไม่คิดแบบนั้นแล้วเราจะมีโอกาสได้ศึกษาคําสอนอย่างนี้หรือ นาน า, นาจิตตังเนี่ยนะสมเมศบัณดิตก็เลยคิดต่อไปว่าประโยชน์อะไรของเราด้วยบุรุษผู้ทรงกำลังเนี่ยนะจะเพึ่ข้ามไปแต่เพียงผู้เดียวก็แปลว่าผู้มีเรี่ยวมีแรงมีพละกำลังอ่ะนะกำลังในที่นี้ไม่ใช่กำลังกายนะกลังจิตใจที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มีอะไรเพียงอะไรประโยชน์อะไรที่จะข้ามไปแต่ผู้เดียวเราบรรลุพระสัพพัญญุตยานแล้วจักยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามด้วย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 เพื่อจะช่วยสัตว์ให้ข้ามได้เราตัดกระแสสังสารวัตรกาจัดภพสามแล้วขึ้นสู่ธรรมนาวาคืออริยมรรคยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามโขะสงสารตัดกระแสสังสารวัตด้วยอริยมรรค ก, กาจัดภพสามขึ้นสู่ธรรมนาวาก็คืออริยมรรคโล ก, กุตระธรรมเนี่ยนะยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามไปด้วย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 พยากรณ์ในอนาคตต่อไปเลยว่าในกับที่นับไม่ได้ตั้งแต่วันนี้โดยจํานวนกับนะหน่วยคือกลับเนี่ยนับไม่ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเขาจากเป็นพระพุทธเจ้าในโลกก็คืออีกบอกอีกสี่สงไข่แสนกับเขาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าตถาคตออกอภินีสกรมหรือออกเนคขมมะจากนกครอันหน่ารื่นรมชื่อว่ากบีลพัฒตั้งความเพียรรมทุกขะกิริยาประพฤติธปฏิบัติทำได้ในสิ่งที่ทําได้โดยยาก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 พระผู้มียศใหญ่ก็จะกระทำประทักษิณโพทิมันทสถานเรียกว่าขวงต้นโพเนี่ยนะจักแทงตลอดพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นอสพรึกหรือต้นโพใบก็สรุปว่าอีกเสียสงไขแสนกับจะได้ประทับนั่งบนที่โพที่บรลลังตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคํำพยาก์อันนี้ก็ไม่เหลวเปล่าใช่หบัดนี้ก็สเร็จเรียบร้อยแล้วจนจะหมดาศาสนาอยู่แล้วงั้นหนไหม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 ส่วนอุปถากชื่อว่าอานณันะจักบำรงพระชินะผู้นี้เนี่ยนะพระนนท์คือผู้ต่อุปถาคตอนนั้นเนี่ยนะพระนนท์ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะไม่ได้ภาษีภาษาอะไรเลยเพราะพระนนท์เนี่ยเพิ่งจะสร้างบารมีแสนกลับหลังมาเนี่ยพันไอศีย ส, สงไข่เนี่ยพระนนท์เนี่ยตอนนั้นไม่ประษีภาษาอะไรแต่พระพุทธเจ้าพยา ก, ยา ก, กรณ์ไว้เบ็ดเสร็จแล้วนะพวกเรานี่ใครได้พยา ก, กรณ์อะไรมาบ้างแล้วก็ไม่ทราบนะนอนเยอเกินพุทธเจ้าผ่านมามากมายมากันโจรเนี่นะ ใชแล้วบายบายละคำนั่นนายจนเลิกแล้วพระเขมาแล้วก็พระอุบลวันนาเนี่ยนะจะเป็นอักครสาวิกาผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นพระเขมาเทรีผู้มีปัญญาอุบลวันนาเทรีผู้มีฤทธิ์เนี่ยนะต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกกันว่าอาศัศตรพฤกแปลว่าโพใบเป็นตระกูลไซชนิดหนึ่งเรียกว่าไซพันใบเนี่ยนะที่ให้ใบดก ส่วนจิตตะคือหาบดีและหัตถะอัอลวกะจะเป็นอักขระอุบาสกอุบาสกอุปถาชายก็คือจิตตะคือหาบดีกับหัตถอัลวกะนั่ะหัตถอัลวกะก็คือที่พระองค์ไปแสดงทำให้อัลวกยักฟังนะนะอุบาสกคนเนี้ยที่เป็นเด็กที่จะให้ถูกยักกินนี่แหละจะเป็นอุปถากนันทมาตาและอุตราจะเป็นอักรอุบาสิกาอุบาสิกาฝ่ายหญิงเนี่ยนะที่คอยอุปถาพระพุทธเจ้า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 เทวดาเข้ามาพยากรณ์เขาไม่มีอนาคตต่งสยามนะบอกดูได้จากอะไรว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดูสิเนี่ยมันเริอมอากาศที่มันเย็นยะเยือกมันก็หายเย็นความร้อนที่ระอบมันก็หายร้อนเรียกว่าอากาศพอดีเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเอออาศัยเย็นอาศัยร้อนมาพยากรณ์เนี่ยนะ